พระธรรมเทศนาแผ่นที่95้าาลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่16กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าฝึกตนเองด้วยตัวเราเอง วันนี้เป็นวันเสาร์ที่16บกรกฎาคมพุทธศักราช2559ัออีกไม่กี่วันข้างหน้าวันที่19เ้เป็นวันอสระหบูชาวันที่ย0สิบเป็นวันเข้าพรรษาเพราะนั้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา แล้วก็เป็นวันประกอบคุณงามความดีของพวกเราถ้าว่าพวกเราไม่ให้ความสำคัญกับตนเองถึงวันไหนผ่านไปผ่านไปมันก็ผ่านไปอย่างนั้นแหละเหมือนกับพวกเหมือนกับแม่น้ำมันไหลามาจากภูเขาภูผาป่าไม้มันผ่านไปถ้าเราไม่กักตุน ไม่เอาเครื่องสุกน้ําขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็ไหลผ่านไปนี้ก็เหมือนกันวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปชีวิตของเราก็ผ่านไปแต่หากว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจชีวิตของพวกเราวันคืนเดือนปีก็ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดแต่ไม่ใช่ไม่เกิดประโยชน์อย่างเดียวนะั้นมันเสียอีกต่างหาก เสียเพราะอะไรเพราะชีวิตของเราปีนี้เท่าไรอย่างหลวงพ่อเนะี่ยปีนี้เท่าไร่ไม่มีใครที่จะรู้เท่าตัวของแต่ละท่านเองแต่ละคนเองปีนี้ของหลวงพ่อเจเอเต็ม72กํากำลังเดินเข้าไปต่อไปกับเจ็7สเดินเข้าไปหาอะไรไปหาจุดจบของมันคือกดอันนี้จัง พวกเราทุกทกท่านก็เดินเข้าไปในจุดนั้นอีกเหมือนกันไม่มีใครที่จะถอยหลังเพราะนั้นพวกเราทามาถึงจุดนี้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพวกเราจะฝึกหัดดัดนิดสัยของเราอย่างไรพวกเราจะทำให้ชีวิตของพวกเรามีคุณค่าอย่างไรพวกเราจะปรับปรุงแก้ไขจิตใจของเรากายวาจจใจของเราให้เป็นคนดียางไร อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านจะต้องมองตอนเองนะนัตตนีนะนนะเพราะว่าการที่จะฝึกหัดดัดนิสัยหรือว่าการจะฝึกฝนทางด้านจิตใจมันไม่ใช่ว่าจะของคิดได้คิดทำไม่ได้ไม่ใช่เราต้องมีครูบาอาจารย์เราต้องหันศึกษาธรรมะทำคำสอนของพระพุทธทเจ้าแล้วจากนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านเคยผ่านเคยรู้เคยได้ศึกษามาท่านก็จะได้นำคำทำคาสอนเหล่านั้นมาบอกกล่าวแนะนําพวกเราแนะนําสั่งสอนพวกเราไม่ใช่ว่าการฝึกหัดดัดนิสัยหรือว่าการฝึกจิตฝึกใจไม่ใช่ของได้ง่ายเหมือนกันนะการฝึกฝนการฝึกฝนจิตการฝึกฝนจิตที่ดีแล้ว การฝึกฝนจิต ด, ดีแล้วนำนำความสุขมาให้แต่การที่จะฝึกฝนจิตตัวนี้ถ้าขนาดเขาฝึกกลิ่งเขาก็ยังมีครูฝึกเขาจะเป็นมวยเขาก็ต้องมีครูฝึกช้างม้าวัวควายที่เขาจะมาฝึกการใช้การใช้งานเขาก็ต้องมีครูฝึกแต่จิตใจของมนุษย์ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้เฉลียวฉลาดก็ต้องมีครูฝึกเหมือนกันเพราะฉะนั้นครูฝึกของพวกเราคืออะไรบรมมครูก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ไปศึกษา้นคว้าก่อนพวกเราเมื่อ 2,559 ปีให้หลังพระ อ, องค์ไปศึกษาเรื่องอะไรนี่เรื่องจิตใจไป้นคว้าทีทั้ง6ปี พวกเราศึกษาดูสิในพุทธประวัติถ้าพวกเราไม่ได้ศึกษาก็ไม่รู้นะถ้าพวกเราได้ศึกษาดูแล้วเราจะรู้ได้ว่าความเป็นมาของพุทธะหรือพระธรรมคาสอนคาสอนของพุทธะท่านสอนอย่างไรจากนั้นท่านก็ตราไว้ในพระไตรปิฎกเป็นพระธรรมคาสอนแต่พวกเราก็มาคิดอีกว่าสงสัยว่าเอ๊ะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตราไว้ ในพระตไตรปิฎกนะครบถ้วนบริบูรณ์หรือขาดตกบกพร่องอไปมากน้อยแค่ไหนใครจะเป็นคนรูนะ้แต่ถึงยังไงก็ตามถ้าเราพิจารณาตามหลักเหตุผลของพุท ธ, ธะแล้วนะคือเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องวิเคราะห์ อ, อีกเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสก่อนที่จะปรินิพานพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนสงดูก่อนอานุนหรือก็ดูก่อนส ง, นนนนสงทั้งหลาย เมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วตายไปแล้วคุณง่ายๆปรินิพานไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสด า, า, าของพวกเธอท่านทั้งหลายอันนี้คือขั้นฝากพระธรรมคำสอนออกมาท่านไม่ได้ฝากว่าเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วให้ท่านสกัสปะอนุรุท ธ, ธะอานนเ์เป็นตัวแทนของเรานะจากนั้นกับพระอานน์ ปรินีาพานก็เอา เ, อ, าเ อ, าองค์นั้นแทนเราต่อไปนะไม่มีในพระดักในหลักธรรมคำสอนเพราะว่าทุกองค์กยอมรับว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นาศาสดาแทนพระพุทธองค์พระัฒนวินัยนั่นแหละเป็นแทาศาสตราแทนพระพุทธเจ้าเพระาะให้พวกเราศึกษาทีนี่ศึกษาในหลักธรรมครําสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไร ท, ที่ว่าพระองค์สอนเราซึ่งศึกษาได้ทั้งรุ่นไหมจากนั้นเรามาอยู่สุดท้ายปลายแดนถึงขนาดนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็พุทธศาสนากลึ่งกลึ่งพุทธการาพวกเรามาอยู่กลึ่ง เ, เราได้ศึกษาดูสิว่าทำคําสอนของพุทธะที่พระองค์ได้ตรัสมาไว้นั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างไหมก็จะให้เหมือนออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ทีเดียว คงจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเราสงสัยอย่างไรในครั้งพุทธกาลก็เข้าไปถามพระพุทธองค์พระองค์ก็จะได้ตรัสแนะนําบอกกล่าวให้ฟังมีมากโตมากในพระไตรปิฎกแต่บัดนี้พระพุทธองค์ได้ปรินิพพานไปแล้วยังพวกเราอยู่สุดท้ายปลายแดนมาถึงขนาดนี้ก็เถอะนะแต่เราก็วิเคราะห์ดูในหลักธรรมคําสอนที่พระองค์ได้ตรัสว่าสมาธิเป็นยังไงพระองค์แนะนําสั่งสอนอยังไงเรื่องสมาธิ เรื่องปัญญาท่านสอนอย่างไรสมรถะและวิปัจนาท่านสอนอย่างไรจากนั้นทำคําสอนอื่นๆเอ อ, อย่างมรรคแปดที่หนทางที่เดินไปสู่มรรคผลนิพพานนั้ท่านให้แนะนำท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรไตรลักษณ์ท่านให้พิจารณาอย่างไรอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคท่านให้พิจารณาให้การกรองไตรตองด้วยเหตุผลอย่างไรสิ่งเหล่านี้มากในจุดนี้นะ คือที่ล้วนยกมาที่ล้วนหัวใจหัวใจของหลักของพุทธศาสนาอันนี้คือหลักใหญ่พระพธพระพุทธเจ้จาได้ตัดรู้ในวันเดือนหเพลนท่านก็ได้ตัดรู้อริยสัจ เ, เห็นทุกสมุทัยนิโรธออแล้วก็มักจากนั้นก็กลั่นกรองพระไทยใจของพระ อ, องค์จนได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็ใช้เนี่ย มักแปดสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาทิเป็นประโยชสารสุดท้าย น, นี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคําสอนที่นํามาแนะนําบอกกล่าวสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพรวันนั้นคอยให้พวกเราทุกท่านนะการที่ฝึกฝนจิต ด, ดีแล้วนําความสุขมาให้เราก็ต้องเดินเข้ามาหาจุดครูฝึกเนี่ยคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่ในยุคนี้สมัยนี้พวกเราจะหาครูฝึกที่ไหน อ, อ, อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำมรรคกิจของท่านอย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ครูบาอาจารย์อื่นๆที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสในธรรมมรกิจของท่านในธรรมเทศนาของท่านพวกเราก็เข้าไปศึกษาการศึกษานี่ถาาว่าเราไปศึกษาดูแล้วจริลนิสัยของเรา มันเข้ากันไม่ได้มันจุดนั้นเออเราก็ต้องต้องเออเราก็ไม่ได้ปามาดท่านเออเราก็ต้องถอยออก <Flow. S 2> system, มาแล้วก็ต้องไปศึกษาองค์อื่นที่ว่าอุปนิสัยหรือว่าเรายอมรับมากน้อยแค่ไหนเออในการเข้าไปศึกษาแต่เราจะไปเอาตัวตัวเองเข้าไปขวางนะถ้าองค์ตัวเองเอาไปขวางขวางซ้ายขวางขวางอ่าขวางหน้าขวางหลังนะมันไปไม่ได้ มันต้องยอมรับต้องฟังฟังเข้าไปเพื่อการศึกษาเข้าไปเพื่อการเรียนรู้ท่านสอนอะไรตามแนวแถวขององค์ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็เรื่องจะศึกษาเลือกภาคปฏิบัติแล้วแต่เรื่องศีลท่านจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เพราะเหตุไรเพราะศีลเป็นพื้นฐานพวกเราควรจะรู้อยู่แล้วกฎระเบียบถ้าขนาดศีลก็ยังทาตนไม่ถูก แล้วจะเดินเข้าสมาธิจะเดินได้อย่างไรเพรา ะ, ะนั้นเรื่องศีลเป็นเรื่องของหยาบแต่จะว่าไปแล้วหยาบคล้ายๆกับสําสรวมกายวาจาของเรากายของเราทํำยังไงวาจาของเราควรจะพูดอย่างไรแต่ขนาดกายของเราเองยังไม่รู้จักประการกระทําความผิดของกายแล้วอย่างความสํารวมวาจาการพูดยังไงจึงเป็นสัมมาวาจาก็ยังไม่รู้จักนะ แล้วจะเข้าไปสู่จิตใจทำจิตใจให้สงบไพนิ่งออมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะขนาดกายหยาบๆการทำรวมกายวาจาก็ยังไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะเพราะนั้นให้พวกเราทาเมื่อเพราะนั้นครูบาอาจารย์แนวแถวสายของหลวงปู่มั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตานะถ้าพระองค์ใดก็ตามคนคนใดก็ตามถ้าเข้ามาอยู่ในวัดของท่านแล้วถ้าทาแก้ๆกลาง ไม่ถูกตามกฎระเบียบไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินัยท่านก็จะบอกหนีนะอย่ามาอยู่ใกล้เรานะออกหนีให้ห่างหนักวัดนะหนักวัดคำนี้เป็นคำที่หลวงตาใช้บ่อยเพราะอะไรก็เพราะว่าเรื่องศีลก็ยังห ย, ยาบๆก็ยังทำตนให้เป็นพระที่ดีไม่ได้ให้เป็นโยมที่ดีไม่ได้แล้วจะฝึกเรื่องสมาธินะี่จึงลุกลึกซึ้งเข้าไปในเมื่อสมาธิจิตใจของเรา ก็ยังเอาเข้าสู่ความสงบไม่ได้และจะเดินวิปัสสนาปัญญาและจะเดินได้อย่างไรนี่แหละมันเป็นขั้นตอนนะพวกเราก็ามาศึกษาเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์แนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงตาก็ดีเวลาพระเข้าไปนะท่านจะแนะนําสั่งสอนเรื่องสมาธิก่อนนะเพราะเรื่องศีลก็เรื่องเป็นที่รู้กันอย่างที่ว่านะนะถ้าขนาดศีลอยังไม่ซ้ำรวมแล้วจะสมาธิจะจะเป็นพระที่ดีได้อย่างไร เรื่องสมาธิท่านแนะนำยังไงเรื่องสมาธิกันกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักบริกรรมพุโทโธเนี่ยว่าสายหลวงปู่มัน่นคือกรรมฐานภ า, ภาวนาพุโทโธนหายใจเข้าพุทหายใจออกโธถ้าหากกาหนดลมหายใจเฉยๆมันหลุดมันหลุดมันหลงมันลืมมันหลงเงื่อนได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายเพราะฉะนั้นท่านยังให้สำทับกับพุโทโธเขาด้วย ขนาดสำทับกับพุโทโธขนาดนั้นก็ยังเผลอเลอะไปอีกเนะ่ถ้าว่าเราใส่ใจก็ใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้เป็นพื้นฐานนี่แหละเรื่องสมาธิต้องมากอดเมื่อจิต ท, ที่เป็นสมาธิดีพอสมควรแล้วเราจะเดินทางวิปัสสนาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสุภาพฏิกูลเห็นเกิดแก่เจ็บตายเห็นร่างกายสังขารไม่มั่นคง ลั่นจะเห็นไปเรื่อยๆจากนั้นก็ย้อนเข้ามาหาสมาธิทำจิตใจให้สงบเอกเมื่อจิตใจสงบแล้วก็นำมาพิจารณาการคลองไตรตองหาเหตุและผล อ, อ, อันนี้ก็คือในหลักธรรมคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่ของเราแนะนำสั่งสอนสิทญาอนุสิทธิเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะคณะศัททายญาติโยมลูกหลานทุกคนในพรรษาที่จะถึงนี้พวกเราควรปฏิบัติ ที่บัติตนอย่างไรที่จะให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีพระสงฆ์องค์พระเจ้าสามเณรพระสงฆ์ที่ดีอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้ตรวจตราดูตนเองนะไม่มีใครที่จะตรวจตราเราได้มีแต่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อกับมีแต่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแต่ผู้ที่จะปฏิบัติเอาจริงเอาจังฝึก ฝ, กฝกน อ, อบรมจิตใจของตนเองการฝึกฝนจิตนําสุขมาให้ เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องฝึกเองนะท่นนี่ฝึกเองเอในพรรษาเนี่ยเราจะฝึกยังไงฝึกการกระทำของพวกเร า, เ, าเราไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดได้ไหมเช้าเย็นทำวัดเช้าเย็นไม่ให้ขาดถึงจะสั้นหรือพิสดารก็สุดแท้แต่เราจะตั้งความสัตย์เอาไว้เราจะนั่งภาวนาทุกวันวันละสามสิบหรือวันหนึ่งละหนึ่งชั่วโมง 24ชั่วโมงหรืเราาเถอะเราจะภาวนาสักหนึ่งชั่วโมง เ, เหล่านี้ได้ไหมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องตรวจตาความประพฤติของพวกเราจากนั้นพวกเราควรจะมีศีลทุกวันพระ8ปดค่ำส15าค่าได้ไหมทุกวันรักษาอุโบสถศีลหรือเราจะรักษาศีลห้าทุกวันพระเสาร์อาทิตย์ได้ไหมเราจะงดบุหรี่ได้ไหมเราจะงดเหลาได้ไหมสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ประกอบ คุณงามความดีฝึกหัดดัดนิสัยของตนเองทั้งหมดฝึกหัดดัดจิตใจของตนเองทั้งหมดปนออกมันออกไปจากใจทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังถ้าใจของเราเกเลยใจของเราไม่เอาทานใจของเราไม่ใฝ่ในการบุญการกุศลใจของเราไม่ใฝ่ในคุณงามความดีมันทะเลถลายออกไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกทุกท่านนะมันออกไปจากใจทั้งหมดการฝึกฝน จิตใจนำสุขมาให้ฝึกฝน น, นั้งแต่เริ่มตั้งแต่เรื่องนึกคิดเราจะไงำทำอย่างไรมันจึงจะถูกต้องทำอย่างไรมันจึงจะเป็นธรรมทำอย่างไรจะจะเป็นบุญเป็นกุศลในจิตในใจของพวกเราชีวิตของพวกเราจากนี้ไปจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่เรารับประกันชีวิตของเราได้ไหมไม่มีใครรับประกันชีวิตของพวกเราได้ ไม่ได้สักคนแต่ทิ่งยังไงเรากรู้ว่าวันข้างหน้าแน่ น, ในอนต้องตายแต่เราจะทำยังไงพระพุทธองค์จึงบอกว่าอย่าตั้งอยู่ใ น, ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เพื่อวันนั้นมาถึงเราจะไม่เราจะไม่เสียใจเพราะว่าเราประกอบคุณงามความดีพอสมควรแล้วเราพร้อมที่จะได้มรดกได้ทรัพย์สมบัติติดตัวไป ไปสู่ความสุขถ้าว่าพวกเราขยันมากกว่านั้นก็จิตใจของเราก็หมดจดจากกิเลสเป็นพระโสดาสพระสกทาคาพระอนาคาคาพระรหันพ้นทุกข์ในวัตฏสงสารเขาบอกทกคํานีนะ่มันไม่ใช่แต่ทุทกข์กายอย่างเดียวนะทุกใจถ้าคนเจอทุกข์ในใจเข้ามาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละจะเห็นได้ชัดเจนทุกข์ใจคืออะไรทุกข์ในการพัดผากบางทกในการไม่สมความมุ่งมาดปรารถนาบางทก ผู้ใหญ่เบียดเบียนลังแก่บังทุกสารพัดทุกคำว่าทุกคำเนี่ยคือทุกใจทุกทุกกายกับทุกหิวอาหารทุกโรคภัยไข้เจ็บล้วนแล้วแต่ทุกเที่เราปราถนาพระพุทธปราถนาถึงพระ涅槃ขอให้พ้นทุกคำว่าพ้นทุกคำเนี่มันหมมันทั้งหมดเลยทั้งทุกกายทุกใจคำว่าทุกไม่มีในจิตใจบรมสุขเในว่านิพพานังประมังสุขขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งใครว่าพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแหะก็ว่าขอให้พ้นทุกข์ในวัฏะสงสารฮถ้าไม่ขอไม่ให้มาเวียนไหวตายเกิดอีกถ้าวิดเวียนไหวตายเกิดก็เวียนมาหาทุกข์อย่างเก่านี่แหละถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทายัางไงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่กินมันก็หิวไม่ดื่มมันก็กระหายไม่นอนมันก็ยังง่วงทํำยังไงเกิดขึ้นมาก็ต้องเป็นอย่างนี้ เกิดขึ้นมาถ้าไม่เกิดพระพุทธเจ้าไม่เกิดทําให้เกิดคืออะไรที่สั่งสิ่งที่ไม่ให้มันเกิดมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งคือมิติจุดนั้นคือหมดจดจากกิเลสกิเลสไม่มีในใจกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงไม่มีในใจนั่นแหละใจตรงนั้นจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเข้าไปสู่อีกนิพพานเป็นอีก ระดับหนึ่งหรือเป็นอีกมิติหนึ่งหรือเป็นอีกแนวหนึ่งหรือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งสุดแท้แต่พวกเราจะตั้งชื่อนะแต่มันนอกเหนือจากสมมติที่จะตั้งชื่อในจุดนั้นทันวหวยังเกินกว่าสมมติที่จะตั้งชื่อตั้งชื่อได้แต่ เ, อเถอะพวกพูดไปอะไรก็ยิ่งสับสนยิ่งหลงยิ่งสงสัยถ้าพวกเราถึงจุดนั้นละเราจะรู้ได้ตนเองด้วยตนเองเหมือนกับเราจับไฟนั่นะ จับพลอยเขามันร้อนมันร้อนอยังไงว่ะแต่พอมาเจอเข้าตัวเองโอ้มันร้อนอย่างนี้เอง น, ะนี่ก็เหมือนกันนะั่นแหละทั้งความดีความชั่วนะมันรู้ได้ด้วยตนเองทั้งนั้นนะถ้าเราทําจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเ อ, อไม่ต้องถามใคร mes. ความชั่วขอเหมือนกันถ้าใครทํกกำกรรมชั่วความชั่วให้ผลนั่นแหละตัวเองก็จะรู้ได้ด้วยตนเองอีกเหมือนกันนะโอ้ติดคุกเป็นยังไงฮอ เป็นถูกคนด่าวดูด่าวว่ากล่าวเป็นยังไงเหล่านี้เราต้องรู้ได้ด้วยตนเองทั้งหมดนะคนสระเสริญเจินยอเป็นยังไงมีความมีเงินคมทรัพสมบัติมีความสุขากายสุขใจเป็นยังไงเราจะรู้ได้อีกเหมือนกันฮะเพราะนั้นถ้าว่าพวกเราปฏิบัติ ต, ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเัวานั้นพวกเราท่านทั้งหลายเนะ ทางสมบูรณ์กุศลในหลักของพุทธศาสนาหลวงพ่อย้ำแล้วพูดดีว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกอยากจะรู้ให้ศึกษาอยากจะรู้ให้ศึกษาอย่าประมาณการอยา่าไปคาดคะเนอย่าไปเดาทางปฏิบัติแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองรนะับพรพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร